อิทธรรมสูตรว่าด้วยธรรมที่น่าปรารถนาภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกธรรมสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งคสมบัติเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 2. ผิวพันธ์ เป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 3. ความไม่มีโรคเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 4. ศีลเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 5. พรหมจรรย์เป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 6. มิตร เป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 7. ความเป็นพหูสูตรเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 8. ปัญญาเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 9. ธรรมเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก10สวรรค์ เป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกภิกษุทั้งหลายทำสิบประการนี้แลเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสิบประการนี้แลซึ่งเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกมีธรรมที่เป็นอันตรายสิบประการคือ 1. ความเกียดคร้านไม่ขยันหมั่นเพียร เป็นอันตรายต่อโภุสมบัติ 2. การไม่ประดับตกแต่งเป็นอันตรายต่อผิวพรรณสาการทำสิ่งที่ไม่เป็นสปายะเป็นอันตรายต่อความไม่มีโรค 4. ความเป็นผู้มีปาปะมิตรมิตรชั่วเป็นอันตรายต่อศีล 5. ความไม่สารวมอินทรีย์เป็นอันตรายต่อพรหมจันทร์ 6. กการแกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริง เป็นอันตรายต่อมิตร 7. การไม่ทำการสาธยายเป็นอันตรายต่อความเป็นพหูสูตร 8. การไม่ฟังด้วยดีการไม่สอบถามเป็นอันตรายต่อปัญญา 9. การไม่ประกอบความเพียรการไม่พิจารณาเป็นอันตรายต่อธรรม 10. การปฏิบัติผิดเป็นอันตรายต่อสวรรค์ภิกษุทั้งหลาย ทำสิประการ น, นี้แหลเป็นอันตรายต่อทำส10ประการซึ่งเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสิประการ น, นี้แหลซึ่งเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกมีธรรมที่เป็นอาหาร1ิประการคือ 1. ความขยันหมั่นเพียรไม่เกียรคร้านเป็นอาหารของโภกคสมบัติ 2. การประดับตกแต่งเป็นอาหารของผิวพันณุ์สามการทำสิ่งที่เป็นส ป, ปายะเป็นอาหารของความไม่มีโรคสี่ความเป็นผู้มีกรยาณมิตรมิตร ด, ดีเป็นอาหารของศีลห้ 5. ความสำรวมอินทรีย์เป็นอาหารของพรหมจันท์หกการไม่แกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริงเป็นอาหารของมิตรเจ็ด การทำการสาธยายเป็นอาหารของความเป็นพหูสูตร 8. การฟังด้วยดีการสอบถามเป็นอาหารของปัญญา 9. การประกอบความเพียรการพิจารณาเป็นอาหารของธรรม 10. การปฏิบัติชอบเป็นอาหารของสวรรค์ภิกษุทั้งหลาย ทาสิบประการนี้แหลเป็นอาหารของทาสิบประการซึ่งเป็นธรรมที่น่าปรารถนาะน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกอิทธธรรมสูตรที่สจบ4วัตถิสูตรว่าด้วยความเจริญภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อเจริญด้วยความเจริญสิบประการชื่อว่าเจริญด้วยความเจริญอันประเสริฐชื่อว่า มีปกติรับเอาสิ่งที่เป็นสาระและมีปกติรับเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายความเจริญสิบประการอะไรบ้างคืออริยสาวก 1. เจริญด้วยนาและสวน 2. เจริญด้วยทรัพย์และเข้าเปลือก 3. เจริญด้วยบุตรและพัญญา 4. เจริญด้วยธาตุกรรมกรและคนใช้ 5. เจริญด้วยสัตว์สีเท้า 6. เจริญด้วยศรัทธา 7. เจริญด้วยศีล 8. เจริญด้วยสุตะ 9. เจริญด้วยจาคะ 10. เจริญด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อเจริญด้วยธรรมเป็นเครื่องเจริญสิประการนี้แลจึงชื่อว่าเจริญด้วยความเจริญอันประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้มีปกติรับเอาสิ่งที่เป็นสาระ และมีปกติรับเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายบุคคลใดในโลกนี้เจริญด้วยทรัพย์เข้าเปลือกปูดปัญญาและสัตสีเท้าบุคคลนั้นเป็นผู้มีโภคสมบัติมียศญาติมิตรและพระราชาก็ทรงยกย่องบุคคลใดในโลกนี้เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาบุคคลนั้นเป็นผู้คงที่เป็นสัตบุรุษ มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาชื่อว่าเจริญทั้งสองประการในปัจจุบันวัตถิสูตรที่สี่จบ 5. มิคาสาลาสูตรว่าด้วย อุบาสิกาชื่อว่ามิคาสาลาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีครั้นในเวลาเช้าท่านพระอาณน์ครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรแล้วก็ไปยังที่อยู่ของมิคาสาลาอุบาสิกานั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นแล มิคาาลาอุบาสิกาได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านดังนี้ว่าท่านอานนท์ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าคนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีคติเสมอเหมือนกันในสัมภารยาภพจะพึงรู้ได้อย่างไรท่านผู้เจริญ บิดาของดิฉันชื่อว่าปุราณะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติ่างไกลงดเว้นจากเมถุนซึ่งเป็นธรรมของชาวบ้านท่านถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเกิดในหมู่เทพชันดุสิตเพื่อนรักของบิดาดิฉันชื่อว่าอิสิทั ต, ตะถึงไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ถือสัทธารสันโดษ ย, ยินดีด้วยพัญญาของตน แม้เขาถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกะทาคามีบุคคลเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตท่านอาโนนทำนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าคนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีคติเสมอเหมือนกันในสามปรายภพจะพึงรู้ได้อย่างไรท่านพระอานอนต์ตอบว่าน้องหญิง ข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วอย่างนี้เหมือนกันครั้งนั้นแหลแท่านพระอานนท์รับบินทบาตหน้าที่อยู่ของมิคสาลาอุบาสิกาแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นในเวลาหลังพัฒหารท่านพระอานนท์กลับจากบินทบาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนาที่สมควรเรียกราบททลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของมิคาาลาอุบาสิกานั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นแล่นางเด้กเข้าไปหาข้าพระองค์ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้ถามข้าพระองค์ว่าท่านอานนนทำนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า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 เป็นสกทาคามีบุคคลเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตเพื่อนรักของบิดาดิฉันชื่อว่าอิสิทัตตะถึงไม่ประพฤทพรหมจันทร์แต่ถือสถทารสันโดษแม้เขาถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตท่านอานน์ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าคนสองคน คือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีคติเสมอเหมือนกันในสัมปรายภพจะพึงรู้ได้อย่างไรเมื่อมิขส า, าลาอุบาสิกากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์จึงตอบว่าน้องหญิงข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ไว้อย่างนี้เหมือนกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ ในเรื่องยานเป็นเครื่องกำหนดรูอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนของบุคคลใครกันเล่าคือมิกษาลาอุบาสิกาผู้เขลาไม่ฉลาดไม่หลักแหลมมีปัญญาทึบและใครกันเล่าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวิสัยที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้อานน์บุคคลสิบจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสิบจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลและไม่รู้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตซึ่งเป็นที่ดับความเป็นผู้ทุศีนได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่ทำกิจ ด, ด้วยการฟังไม่ทำกิจ ด, ด้วยความเป็นพหูสูรไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและไม่ได้วิมุตตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญ ย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญสองส่วนบุคลบคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลแต่รู้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตซึ่งเป็นที่ดับความเป็นผู้ทุศีลได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นทำกิจ ด, ด้วยการฟังทำกิจ ด, ด้วยความเป็นพหูสูรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตตตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้ว เขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมบุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณข้อนั้นว่าทำแม้ของบุคคลนี้ก็คือทำของอีกคนหนึ่งนั่นแหลบรรดาบุคคลสองคนนั้นเพราะเหตุไรคนหนึ่งจึงเลวคนหนึ่งจึงดีแท้จริงการถือประมาณของผู้ถือประมาณเหล่านั้นเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกตลอดกาลนานบรรดาบุคคลสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลแต่รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นที่ดับความทุศีนได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นทำกิจด้วยการฟังทำกิจด้วยความเป็นพหูสูรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควรบุคคลนี้ดีกว่าและปราณีกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นโน้น ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคล น, นี้ยังลงสู่อริยภูมิใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบถือประมาณในบุคคลและอย่าถือประมาณในบุคคลเพราะบุคคลผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ส บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลแต่ไม่รู้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตซึ่งเป็นที่ดับศีลได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่ทำกิจ ด, ด้วยการฟังไม่ทำกิจ ด, ด้วยความเป็นพหูสูรไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและไม่ได้วิมุตต์ตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ สี่ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลและรู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจึงเป็นที่ดับศีลได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นทำกิจ ด, ด้วยการฟังทำกิจ ด, ด้วยความเป็นพหูสูดแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม บุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณข้อนั้นว่าและถึงส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ 5. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะจัดและไม่รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นที่ดับราคะได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่ทำกิจ ด, ด้วยการฟังไม่ทำกิจ ด, ด้วยความเป็นหูสูโ ไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและไม่ได้วิมุตตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ 6. ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะจัดแต่รู้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตซึ่งเป็นที่ดับราคะได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นทำคิดด้วยการฟัง ทำคิดด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมบุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณข้อนั้นว่าและถึงส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ 7. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธและไม่รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นที่ดับความโกรธได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่ทำกิจ ด, ด้วยการฟังไม่ทำกิดด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและไม่ได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ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 บุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณข้อนั้นว่าละถึงส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ 9. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฟุ้งซ่านและไม่รู้แจ้งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติซึ่งเป็นที่ดับความฟุ้งซ่านได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่ทำกิจ ด, ด้วยการฟังไม่ทำกิจ ด, ด้วยความเป็นพู้หูสูดไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐ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 และได้วิมุด ต, ตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานน์บุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณข้อนั้นว่าทาแม้ของบุคคลนี้ก็คือทาของอีกคนหนึ่งนั่นแหลบรรดาบุคคลสองคนนั้นเพราะเหตุไรคนหนึ่งจรงเลวคนหนึ่งจริงดีแท้จริง การเถอประมาณของผู้เถอประมาณเหล่านั้นเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุก์ตลอดกาลนานบรรดาบุคคลสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้ฟุ้งซ่านแต่รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นที่ดับความฟุ้งซ่านได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นทำกิจ ด, ด้วยการฟังทำกิจ ด, ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควร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 ส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงเถือประมาณในบุคคลได้ในเรื่องยานเป็นเครื่องกำหนดรู้อินทร์แก่กล้าและอินทร์อ่อนของบุคคลใครกันเล่าคือมิขาซาลาอุบาสิกาผู้เคลาไม่ฉลาดไม่หลักแหลมมีปัญญาทึบและใครกันเล่าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวิสัยที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้อานนท์บุคคลสิบจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลก บุรุษชื่อว่าปุราณะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นใดบุรุษชื่อว่าอิสิทัตะก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นนั้นบุรุษชื่อว่าปุราณะจะได้รู้แมกคติของบุรุษชื่อว่าอิสิทัตะในโลกนี้ก็หามิได้บุรุษชื่อว่าอิสิทัตะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นใดบุรุษชื่อว่าปุราณะก็เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นบุรุษชื่อว่า อิสิท ต, ตะจะได้รู้แม้กติของบุรุษชื่อว่าปุราณะในโลกนี้ก็หามิได้อานนบุคคลทั้งสองนี้แหลเป็นผู้ต่ำกว่ากันด้วยองคุณคนละอย่างอย่างนี้แหลมิคาสาลาสูที่หจบ โยธรรมสูตรว่าด้วยธรรมสามประการภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้ไม่พึงมีปรากฏอยู่ในโลกตถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พึงอุบัติขึ้นในโลกธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศไว้ก็ไม่พึงรุ่งเรืองในโลกธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ชาติความเกิด 2. ชราความแก่ 3. ม, มรณนะความตายทรสามประการนี้แลไม่พึงมีปรากฏอยู่ในโลกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่พึงอุบัติขึ้นในโลกธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ไม่พึงรุ่งเรืองในโลกเพราะทรสามประการนี้ยังมีปรากฏอยู่ในโลกฉะนั้นตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นในโลก ธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศไว้จึงรุ่งเรืองในโลก 1. บุคคลยังละทำสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละชาติชราและมรณะได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะความกำหนัด 2. โทสะความคิดประทุสร้าย 3. โมหะความหลงภิกษุทั้งหลาย บุคคลยังละทำสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละชาติชราและมรณะได้ 2. บุคคลยังละทำสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละราคะโทสะและโมหะได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. นสักกายทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน 2. วิจิกิกจฉาความลังเลสงสัย 3. าสีรพตาปาลามา ความถือมั่นศีลพรนภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละทำสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละราคะโทสะและโมหะได้ 3. บุคคลยังละทำสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปตะปรามาตได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. การมนุษย์การโดยไม่แยบใครสอ การเดินทางผิด 3. ความหดหู่แห่งจิตภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละทำสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละสากายทิฏฐิวิจิกิจชาและศีลปะตะปรามาได้ 4. บุคคลยังละทำสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละการมนุษการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดและความหดหูแห่งจิตได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ หนึ่งความหลงลืมสติสองความไม่มีสัมปชัญญะ 3. ามความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละทำสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละการมนัสการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดและความหดหู่แห่งจิตได้หบุคคลยังละทำสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะ และความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่ต้องการจะเห็นพระอริยะ 2. ความเป็นผู้ไม่ต้องการจะฟังธรรมของพระอริยะ 3. ความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละทำสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะและความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ บุคคลยังละทำสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ต้องการจะเห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ต้องการจะฟังธรรมของพระอริยะและความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความฟุ้งซ่าน 2. ความไม่สารวม 3. ความเป็นผู้ทุศีลภิสษุทั้งหลายบุคคลยังละทำสามประการนี้แลไม่ได้ ก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ต้องการจะเห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ต้องการจะฟังธรรมของพระอริยะและความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีได้เจ็ดบุคคลยังละธรรมสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมและความเป็นผู้ทุศีลได้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่มีศรัทธา2ความเป็นผู้ไม่มีใจเอื้อเฟื้อ 3. ความเกียร์คร้านภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละทำสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สํารวมและความเป็นผู้ทุศีลได้ 8. บุคคลยังละทำสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละความไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่มีใจเอื้อเฟื้อและความเกียร์คร้านได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่เอื้อเฟื้อ 2. ความเป็นผู้ว่ายาก 3. ความเป็นผู้มีปาปมิตรภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละทำสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละความไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่มีใจเอื้อเฟื้อและความเกียดคร้านได้ 9. บุคคลยังละทำสามประการ น, นี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละความไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากและความเป็นผู้มีปาปมิตรได้ ทำสมประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่มีหิริ 2. ความไม่มีโอตตะปะ 3. ความประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละทำสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละความไม่เอื้อเฟือ้อความเป็นผู้ว่ายากและความเป็นผู้มีปาปะมิตรได้ 10. บุคคลนี้เป็นผู้ไม่มีหิริไม่มีโอตตปะเป็นผู้ประมาท บุคคลนั้นเมื่อประมาทจึงไม่อาจละความไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากและความเป็นผู้มีปาปมิตรได้เมื่อมีปาปมิตรจึงไม่อาจละความไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่มีใจเอื้อเฟื้อและความเกียดคร้านได้เมื่อเกียดคร้านจึงไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมและความเป็นผู้ทุศีนได้เมื่อทุศีนจึงไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ต้องการจะเห็นพระอริยะ ความเป็นผู้ไม่ต้องการจะฟังธรรมของพระอริยะและความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีได้เมื่อมีจิตคิดแข็งดีจึงไม่อาจละความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะและความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้เมื่อมีจิตฟุ้งซ่านจึงไม่อาจละการมนุสการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดและความหดหูแห่งจิตได้เมื่อมีจิตโหดหูจึงไม่อาจละสักกายทิฐิ วิจิกิจฉาและศิลปตาปรามาได้เมื่อมีวิจิกิจฉาจึงไม่อาจละราคะโทสะและโมหะได้ครั้นละราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้จึงไม่อาจละชาติชราและมรณะได้ 1. บุคคลละทำสามประการนี้ได้แล้วจึงอาจละชาติชราและมรณะได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะ 2. โทสะ 3. โมหะภิษุทั้งหลายบุคคลละทำสามประการนี้แลได้แล้วจึงอาจละชาติชราและมรณะได้ 2. บุคคลละทำสามประการนี้ได้แล้วจึงอาจละราคะโทสะและโมหะได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศสักกายทิฐิ 2. วิจิกิจชา สามสปะตะปรามาตภิกษุทั้งหลายบุคคลละทำสามประการนี้แลได้แล้วจึงอาจละราคะโทสะและโมหะได้ 3. บุคคลละทำสามประการนี้ได้แล้วจึงอาจละสักกายทิฏิวิจิกิจฉาและศีลปะตะปรามาตได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. การมนุษย์การโดยไม่แยบคาย 2. การเดินทางผิด 3. ความหดหู่แห่งจิตภิกษุทั้งหลายบุคคลละทำสามประการนี้แลได้แล้วจึงอาจละสกักกายทิฏฐิวิจิกิจช้าและศีลปะตะปรามาศได้ 4. บุคคลละทำสามประการนี้ได้แล้วจึงอาจละการมนัสการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดและความหดหู่แห่งจิตได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความหลงลืมสติ 2. ความไม่มีสัพ ป, ปชัญญะ 3. ความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกษุทั้งหลายบุคคลละทรสามประการนี้แหละได้แล้วจึงอาจละการมนัษการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดและความหดหู่แห่งจิตได้5บุคคลละทำสามประการนี้ได้แล้วจึงอาจละความหลงลืมสติความไม่มีสัม ป, ปชัญญะและความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ ทำสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งความเป็นผู้ไม่ต้องการจะเห็นพระอริยะสองความเป็นผู้ไม่ต้องการจะฟังธรรมของพระอริยะสามความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีภิกษุทั้งหลายบุคคลละทาสามประการนี้แลได้แล้วจึงอาจละความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะและความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ 6.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 สความเกียรติคร้านภิกษุทั้งหลายบุคคลละทำสามประการนี้แลได้แล้วจึงอ่าจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมและความเป็นผู้ทุศีลได้ 8. บุคคลละทำสามประการนี้ได้แล้วจึงอ่านละความไม่มีศรัทธาความเป็นผู้มีใจไม่เอือ้อเฟื้อและความเกียรคร้านได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่เอือ้อเฟื้อ 2. ความเป็นผู้ว่ายาก 3. ความเป็นผู้มีปาปะมิตรภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมสามประการนี้แลได้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่มีใจเอื้อเฟื้อและความเกียดคร้านได้ 9. บุคคลละธรรมสามประการนี้ได้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากและความเป็นผู้มีปาปมิตรได้ ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่มีหิริ 2. ความเป็นผู้ไม่มีโอตตะปความประมาทภิกสุทั้งหลายบุคคลละทาสามประการนี้แลได้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่เอือ้อเฟื้อความเป็นผู้ว่า ย, ยากและความเป็นผู้มีปาปมิตรได้ 10. บุคคลนี้เป็นผู้มีหิริเป็นผู้มีโอตตะปเป็นผู้ไม่ประมาท บุคคลนั้นเมื่อไม่ประมาทจึงอาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากและความเป็นผู้มีปาประมิตรได้เมื่อมีกระยาณมิตรจึงอาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่มีใจเอื้อเฟื้อและความเกียดคร้านได้เมื่อปรารบความเพียนจึงอาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมและความเป็นผู้ทุศีลได้ เมื่อมีศีลจึงอาจละความเป็นผู้ไม่ต้องการจะเห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ต้องการจะฟังธรรมของพระอริยะและความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้เมื่อมีจิตไม่คิดแข่งดีจึงอาจละความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้เมื่อมีจิตไม่ฟุ้งซ่านจึงอาจละการมนสสรานาสิกานโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดและความหดหู่แห่งจิตได้ เมื่อมีจิตไม่โหดหูจึงอาจละสักกายติฐิวิจิกิจช้าและศิลปะปรามาได้เมื่อไม่มีวิจิกิจชา้าจึงอาจละราคะโทสะและโมหะได้ครั้นละราคะโทสะและโมหะได้แล้วจึงอาจละชาติชาและมรณะได้ตโยธรรมสูตรที่6จบ เจ็ดกากระสูรว่าด้วยอาสัตธรรมของกาภิกษุทั้งหลายกาประกอบด้วยอาสัตธรรมสิบประการอาสัตธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. มักกาจัด 2. ขนอง 3. ทะเยอทยาน 4. กินจุ 5. หยาบช้า 6. ไม่มีกรุณา 7. อ่อนแอ 8. มักร้อง 9. หลงลืมสติ 10. สั่งสมกาประกอบด้วยอสัตธรรมสิประการนี้แลฉชั้นใดภิกษุชั่วประกอบด้วยอสัตธรรมสิประการก็ชั้นนั้นเหมือนกันอสัตธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. มักกาจัด 2. ขนอง 3. ทมเยเทยาน 4. ชั้นจุ 5. หยาบช้า 6. ไม่มีโควิดา 7. อ่อนแอ 8. มักรีกร้อง 9. หลงลืมสติ 10. สั่งสมภิกษุทั้งหลายภิกษุชั่วประกอบด้วยอสัตธรรม1ิประการนี้แล 9. ก้ากสูตรที่ 7. จบ 8. นิคันทสูตรว่าด้วยอสัตธรรมของพวกนิครนภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนประกอบด้วยอสัตธรรมสิบประการอสัตธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่มีศรัทธา 2. ทุศีล 3. ไม่มีหิริ 4. ไม่มีโอตตปะ 5. ไม่พักดีต่อสัตบุรุษ 6. ยกตนข่มท่าน 7. สละคืนความยึดมั่นถือมั่นด้วยทิฏฐิของตนได้ยาก 8. เป็นคนลวงโลก 9. ก้าปราถนาชั่วสิบเป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายพวกนิครนประกอบด้วยอสัตธรรมสิบประการนี้แลนิคันทสูตรที่แจบเก้าอาคาะวัตถุสูตรว่าด้วยอาคาดวัตถุภิกษุทั้งหลายอาคาดวัตถุเหตุผูกอาคาดสิบประการนี้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 ผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราสิบโกรธในเหตุอันไม่ควรภิกษุทั้งหลายอาคาตวัตถุสิประการ น, นี้แหละอาคาตวัตถุสูตรที่เก้าจบ